ข้อที่สครั้งหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นว่าข้ารืหัดหรือบรรพชิตจะดีกว่ากันพระพุทธเจ้าจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นกลางเป็นธรรมและเป็นธรรมมาทิปไตยแท้พระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่สันเสริญการปฏิบัติผิดของคนทั้งสองประเภทคือข้ารืหัและบ ร, รพชิต คารืหัดก็ตามบันปะชิตก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติผิดแล้วยอมไม่ได้ชมซึ่งยายาธรรมอันเป็นกุศลเพราะเหตุคือการปฏิบัติเป็นมูลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราสันเซิญการปฏิบัติชอบของคนทั้งสองประเภทคือคารืหัดและบันปะชิตคารืหัดก็ตามบันปะชิตก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วยอมได้ชมยายธรรมอันเป็นกุศลเพราะเหตุ คือการปฏิบัติชอบเป็นมูลข้อความจากอังคุตรนิกายทุกการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบเป็นนันว่าพระพุทธเจ้าทรงอาศัยหลักธรรมมาธิประตยต่อปัญหานี้ได้อย่างดียิ่งจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคริหัสหรือบันปชิตถ้าประพฤติดีแล้วพระองค์ก็ทรงสรรเสริญ ถ้าพระพุทผิดแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญทั้งนั้นความถูกต้องจึงไม่ใช่อยู่ที่เพศที่บุคคลแต่อยู่ที่ธรรมไตรตั้งอยู่ในธรรมคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบ